ใค่ต่อการศึกษาพระราหุลเป็นพุทธชินโอรสองค์เดียวของพระบรมศาสดาพระนางพิมพาหรือยโสธราเป็นพระมารดาเมื่อพระราหุลประสูตเพียงวันเดียวพระราชบิดาก็เสด็จออกมหาพิเนสกรมมุ่งพระโพธิญานพระราหุลเจริญเติบโตขึ้นด้วยการถนอมเลี้ยงของพระมารดาและพระประยุรญาต ไม่ได้เคยเห็นสมเด็จพระราชบิดาเลยจนกระทั่งพระชนมายุเจ็ดพรรษาเมื่อพระศาสดาได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาแล้วเสด็จมาโปรดพระญาติณกรุงกบิลพัทประทับอยู่ณนิโครทารามที่พระญาติสร้างถวายพร้อมด้วยพระสาวกอรหันหมู่ใหญ่พระนางพิมพาหรือยโสธราพระราชมารดาของขุมาน้อยราหุลตรัสกับราหุลว่า สมบัติทั้งปวงในนคกรกบิลพันี้เป็นของสมเด็จพระราชาบิดาแต่พระองค์ทรงสละราชสมบัติออกพนวดขอให้ลูกไปขอสมบัติต่อพระราชาบิดาพระราหุลไปเฝ้าพระตถาคตเจ้าณ น, นิคโครธารามทูลขอโลกญาสมบัติพระทศพลทรงพิจารณาว่าโลกยาสมบัติเป็นของไม่อย่างยืนเจือด้วยโทษให้ความสุขเล็กน้อยให้ทุกข์มากเราควรให้ธรรมสมบัติ หรือโลภุตรสมบัติแก่ราหุลด้วยให้เขาได้พ้นทุกข์ทรงำดำริชนีแล้วจึงรับสั่งให้พระสารีบุตรเป็นอุปชาบรรพชาสามเน์แก่ราหุลจัดเป็นสามเนนรูปแรกในพระาศาสนานี้เมื่อบรรพชาเป็นสามเณรแล้วก็ไม่ได้มีทิฏฐิมานะว่าเราเป็นโอรสของพระาศาสดาผู้ทรงเป็นใหญ่ในหมู่สงฆ์ แต่สมณเณรราหุนกลับเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนไข่ต่อการศึกษาเคารพพระโอวาทของพระศาสดาและคำตักเตือนสั่งสอนของภิกษุทั้งหลายไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการรับโอวาทบางวันสมณเณรจะกอบสายขึ้นเต็มกอบหรือกำา ร, รายเต็มกำแล้วปรารถนาว่าวันนี้ขอเราพึ่งได้รับโอวาทหรืออนุสตัตจากสำนักของพระทศพลเจ้า หรือจากสำนักอุปชาอาจารย์เท่าจํานวนมเมล็ดทายนีิเถิดท่านได้รับการยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นผู้เลิศกว่าพิสุทั้งหลายในด้านเป็นผู้รักการศึกษาใกล้ต่อการศึกษานอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ว่าง่ายไม่ถือตัวดังเรื่องต่อไปนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพิสุนอนร่วมกับอนุพสมบันิ คือผู้ที่ไม่ใช่ภิกษุแล้วภิกษุทั้งหลายเกรงว่าจะล่วงละเมิดศิกขาบทที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติจึงไม่กล้าให้อนุปรสัมบัณนอนในห้องเดียวกันอีกเลยแม้แต่สัมเนรราหุลภิกษุทั้งหลายกล่าวกับสัมเนรราหุลว่าเอาโสราหุลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติศิกขาบทแล้วปัดนี้ท่านจงหาที่พักของท่านเองเถิด ก่อนแต่การที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงบัญญัติศิกขาบทนี้ภิกษุทั้งหลายได้สงเคราะห์สมณเณรราหุลเป็นอย่างดีเพราะเคารพในพระพุทธองค์หนึ่งและเพราะสมณเณรราหุลเป็นผู้ใไข่ต่อการศึกษาเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายหนึ่งบางรูปจะจัดเตียงเน้อยให้สมณเณรราหุล น, นอนให้จีวรสำหรับหลุนศีรัะแต่เมื่อพระพุทธองค์ทรงบัญญัติศิกขาบทนี้แล้วไม่มีภิกษุรูปใดให้สมณเณรราหุลพัก ในที่พักของตนเลยเพราะกลัวจะล่วงสิขาบทฝ่ายสำ ม, มนเนิราหุลผู้มีการศึกษาดีมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นนิสัยมีความอดทนอย่างดีเยี่ยมท่านไม่ได้เข้าไปเฝ้าหาพระผู้มีพระภาคเจ้าไดยคิดว่าเป็นพระบิดามีได้ไปยังสำนักของพระสารีบุตร้ดยคิดว่าเป็นพระอุปัชฌายะไม่ได้เข้าไปในสำนักของพระมหาโมคคัลลานะโดยคิดว่าเป็นอาจารย์ และไม่ได้ไปยังสำนักของพระอานนท์ด้วยคิดว่าเป็นพระเจ้าอาของตนสามเณรราหุลเข้าไปพักที่วัดจักกุดีอันเป็นที่ถ่ายพระบางคนของพระผู้มีพระภาคเจ้าประดุดเข้าไปยังวิมานพรมไม่ได้นึกรังเกียจแม้แต่น้อยตามปกติพระทวารพระวัดจักกุดีของพระผู้มีพระภาคเจ้าปิดสนิทยอยู่เสมอมีพื้นเรียบร้อยอบด้วยเครื่องหอมประดับด้วยพวงมาลาอันหอม ตามประทีปไว้ตลอดคืนสมณเณรราหุลเข้าไปอาศัยอยู่ในพระวัดจกุดีนั้นเพราะเกรงใจพิษุขทั้งหลายไม่กล้าไปขออาศัยภิกษุรูปใดและเพราะสมณเณรใค่ต่อการศึกษาเคารพต่อโหวาทบางคราวภิกษุต้องการจะทดลองท่านพอเห็นท่านเดินมาก็อเอาไม่กวาดบ้าง อยากเยื่อบังทิ้งออกไปไว้ข้างนอกเ ม, มื่อสมณเณรราหุนเดินมาภิกษุเหล่านั้นก็พูดกันว่าอาภุโสนี่ใครทิ้งไม้กวาดและอยากเยื่อไว้ภิกษุพวกนั้นก็พากันพูดว่าราหุนเดินมาทางนี้สมณเณรราหุนทั้งๆที่ไม่ได้ทําแต่ก็ไม่ได้ตรี ป, ปาพูดเลยว่าข้าพระเจ้าไม่รู้เรื่องนี้รีบเก็บไม้กวาดและอยากเยื่อแล้วไปให้ภิกษุทั้งหลายอดโทษว่า ขอท่านทั้งหลายจงอดโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดสามเณรราหุลใคร่ต่อการศึกษาและเคารพโอวาทถึงป่านี้ก่อนอารมณ์รุ่งวันนั้นพระบรมศาสดาเสด็จมาประทับยืนหน้าพระทวารวัชกุฎีส่งกระแอมขึ้นสามเณรราหุลก็กระแอมรับพระศาสดาตรัสถามว่านั่นใครข้าพระพุทธเจ้าราหุลพระเจ้าข่าราหุลทําไมมานอนที่นี่ ไม่มีที่พักอื่นพระเจ้าข่าเมื่อก่อนภิกษุทั้งหลายสงเคราะห์ข้าพระองค์ได้แต่เมื่อพระองค์ทรงบัญญัติศีกาบุตรแล้วภิกษุทั้งหลายกลัวต้องอบัตจึงไม่กล้าอนุญาตให้ข้าพระองค์นอนในที่อยู่ของตนของตนที่นี่ก็ไม่เป็นที่คับแคบและไม่เบียดเสียดกับใครพระเจ้าข่าพระทศพลทรงสดับดังนั้นทรงเกิดความสังเวชว่าภิกษุทั้งหลายทิ้งราหุนได้ถึงเพียงนี้เมื่อให้คุรบุตรทั้งหลายอื่นบวช จะทอดทิ้งเขาเสัยเพียงใดไม่ควรเลยพระทศัณฐาขตเจ้ารับสั่งให้พิสุทั้งหลายประชุมกันตั้งแต่เช้าจัดถามพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรว่าสารีบุตรท่านทราบหรือไม่ว่าสมณเณรราหุลสัตวิวิหาริย์ของท่านนั้นนอนที่ไหนเมื่อคืนนี้ไม่ทราบ พ, พระเจ้าค่ะสารีบุตรเมื่อคืนนี้ราหุนนอนในวัดจักุดีของเราดูก่อนสารีบุตร เมื่อวกเธอทอดทิ้งราหุนได้อย่างนี้เมื่อให้คนบุตรเหล่าอื่นบวชจะทำอย่างไรกันคนที่บวชในาศาสนาก็ไม่มีที่พึ่งอาศัยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติศิกขาบทเพิ่มเติมว่าตั้งแต่บัดนี้ต่อไปภิกษุทั้งหลายจงให้อนุภสมบันนอนในสำนักของตนในที่มุงที่บางเดียวกันวันหนึ่งหรือสองวันส่วนในวันที่สามจึงให้หาที่พักอยู่เองภายนอกดังนี้ เย็นวันนั้นภิกสุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาสรรเสริญคุณของสมณเณราหุนว่าสามณเณรราหุนเป็นผู้ใคล้ต่อการศึกษาเมื่อพิสุทั้งหลายไม่ยอมให้นอนในสมณของตนจะโต้เถียงคัดค้านสักคําเดียวก็ไม่ได้ว่าเราเป็นโอรสของพระทศพลท่านเป็นใครท่านนั่นแหละจงออกไปให้พ้นจากเสนาสนะนี้แต่สมณเณรราหุนก็ไปอาศัยอยู่ในพระวัจชกุฎีของพระผู้มีพระภาค สมเด็ราหุนมีคุณน่าอัศจรรย์พระศาสดาสเสด็จมายังธรรมสภาทรงทราบเรื่องที่พิสูจน์ทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าสมเด็ราหุนเคยเป็นผู้ว่าง่ายใคร่ต่อการศึกษามานานแล้วแม้สมัยที่เป็นลูกเนื้อก็เป็นผู้ที่ว่าง่ายใคร่ต่อการศึกษาอย่างนี้ได้ปลอดภัยจากบ่วงในพลาแล้วเมื่อภิสูจนทั้งหลายขอร้องให้ทรงเล่าเรื่องนั้น พระาศาสดาจึงตรัสว่าในอดีตการพระโพธิสัตว์บังเกิดในกำเนิดเนื้อมีหมู่เนื้อเป็นบริวารเป็นอันมากอาศัยอยู่ในป่าครั้งนั้นนางเนื้อน้องสาวของพระโพธิสัตว์ได้พาลูกน้อยมาฝากให้เรียนมลคขามายากับพระโพธิสัตว์ผู้เป็นลุงลูกเนื้อตั้งใจเรียนอย่างดีมาเรียนไม่เคยขาดในมาตามเวลาที่พระโพธิสัตว์สั่งศึกษามเลคขมายาจนสําเร็จ วันหนึ่งลูกเนื้อไปติดบ่วงในพรานจึงร้องขึ้นหมูเนื้อพากันวิ่งไปบอกมารดาของลูกเนื้อแม่เนื้อจึงรีบไปหาพระโพธทิสัตว์ผู้เป็นพี่ชายแล้วถามว่าขันให้หลานชายของท่านเรียนมาเลิกฆามายาแล้วหรือผู้เป็นลุงของลูกเนื้อตอบว่าลูกของเธอเรียนมาเลิกฆามายาแล้วอย่าวิตกเลยอีกสักครู่หลานชายของฉันจะสลัดบ่วงหนีมาจนได้ ดังนี้แล้วกล่าวว่าฉันให้เนื้อหลานชายผู้มีเท้าแปดกีบนอนสามท่าเดิมน้ำเฉพาะเวลาเที่ยงคืนมีมายาเป็นอนเนกหลานชายของฉันเป็นสัตว์ฉลาดรู้จักอดกลั่นลมอัดสาสะประสาสะในช่องนาสิกเบื้องบนนอนแนบชิดอยู่กับพื้นดินนำมาลวงในพลานด้วยอุบายหกอย่างลูกเนื้อที่ติบ่วงอยู่นั้นมิได้ดินรนกระสับกระสาย เหยียดเท้านอนตะแคงติดพื้นดินเอาเท้าถีบปิ่นให้กระจายไปปุ้ยฝุ่นและหญ้าให้หลุดถอนถ่ายอุจจาระปัสสาวะนอนหัวตกแลบลิ้นน้ำลายไหลตะเบงลมให้ท้องพองทำตาทั้งสองให้ช้อนขึ้นค้างอยู่บระบายลมหายใจเข้าออกทางช่องนาสิกเบื้องล่างอัดลมทางช่องนาสิกเบื้องบนทำตัวให้แข็งแสดงอาการว่าตายแล้ว มแมลงวันพากันมาตอมฝูงกาพากันมาจับเป็นกลุ่มอยู่ใกล้ๆนายพลไม่เห็นแล้วแล้วเอามือตบท้องลูกเนื้อพลางคิดว่าเนื้อตัวนี้คงจะติดบ่วงตั้งแต่เช้าบัดนี้ขึ้นพองแล้วเขาแก้เชือกบ่วงออกตั้งใจจะแล่ตรงนั้นจึงไปเที่ยวหาใบาไม้กิ่งไม้มารองลูกเนื้อได้ทีก็ลุกยืนขึ้นสลัดกายเหยียดออกวิ่งไปหามารดาโดยเร็ว ทำความชื่นชมโสมนัสให้แก่มารดาลุงและเนื้ออื่นๆเป็นอันมากการตั้งใจศึกษาและปฏิบัติตามโอวาทของผู้ใหญ่ทำให้ตนได้ปลอดภัยอย่างนี้ ผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่เวรุวันวิหารนครราชคกลือสมัยนั้นพระราหุลอยู่ที่ปราสาทชื่ออัมพะรติกาเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่เว้นเสด็จเข้ายังปราสาทที่พระราหุลอยู่พระราหุลได้เห็นพระตถาคตเจ้าเสด็จมาแต่ไกลจึงรีบปูอาสนะและตั้งน้ําสาหรับล้างพระบาทไว้พระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะและทรงล้างพระบาท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 พระผู้มีพระภาคทรงเทน้ำที่เหลืออยู่หน่อยหนึ่งนั่นเสียแล้วตรัสถามพระราหุลอีกว่าเห็นน้ำหน่อยหนึ่งที่เราเทเสียแล้วหรือไม่เมื่อพระราหุลพู้นรับว่าเห็นจึงตรัสว่าคุณความเป็นสมณะ ข, ของบุคคลผู้ไม่มีความละอายกล้ากล่าวมุสาทั้งที่รู้นั้นเป็นสิ่งที่เขาทิ้งเสียแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วทรงคว่ำผาชนะน้านั้นเสียพลางตรัสกับพระราหุลว่า เห็นภาชนะน้าที่คว่ำนี้หรือไม่เมื่อพระราหุนทูลรับว่าเห็นแล้วจึงตรัสว่าคุณความพิสมณะของผู้ไม่มีความละอายกล้ากล่าวบุษาทั้งที่รู้ก็ชื่อว่าเป็นของที่เขาคว่มเสียแล้วเหมือนกันพระผู้มีพระภาคทรงหงายภาชนะน้ำนั้นขึ้นและตรัสถามพระราหุนว่าเห็นภาชนะน้าอันว่างเปล่านี้หรือไม่เห็นพระเจ้าข่าดูก่อนราหุน บุคคลผู้ไม่มีความละอายกล้ากล่าวมุสาทั้งที่รู้ก็เป็นผู้ว่างเปล่าจากคุณความเป็นสมณะเหมือนกันดูก่อนราหุลบุคคลผู้ไม่มีความละอายกล้ากล่าวมุสาวาททั้งที่รู้อยู่จะไม่ทำบาปกรรมอย่างอื่นด้วยนั้นเป็นไม่มีเพราะฉะนั้นแหละราหุลเธอพึงสําเหนียศึกษาว่าเราจะไม่กล่าวมุสาวาททั้งทั้งที่รู้แม้เพราะต้องการจะหัวเราะกันเล่น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 ก็พึงแสดงเปิดเผยต่อพระศาสดา ห, หรือต่อเพื่อนร่วมพรหมจรรย์ผู้เป็นวิญญูชนแล้วพึงสำรวมระหว่างต่อไปแต่ถ้าพิจารณาเห็นว่ากรรมที่ทำไปแล้วนั้นเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรเป็นวิบากก็พึงมีปีติปลาโมดศึกษาปฏิบัติอยู่ในกุศลธรรมนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนดูก่อนราหุลสมณะพราหมณ์ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตที่ได้ชำระกายกรรม วจีกรรมและมโนกรรมให้บริสุทธิ์อยู่ได้ก็เพราะพิจารณาเนืองๆอย่างนี้นั่นเองพระราหุลชื่นชมยินดีต่อพระพาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคยิ่งนักอีกกล่าวหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเชตวันวิหารตอนเช้าเสด็จไปบินธบาตในนครสาวัตถีมีพระราหุลตามเสด็จครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงผินพระพักไปรับสั่งกับพระราหุลว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่มีแล้วในอดีตทั้งที่จะมีในอนาคตและมีอยู่ในปัจจุบันทั้งภายในภายนอกทั้งหยาบและละเอียดทั้งปวงเธอเพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราพระราหุนทูลถามว่ารูปเท่านั้นหรือพระเจ้าข่าดูกนราหุนรวมทั้งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณด้วย ครั้งนั้นพระราหุลคิดว่าพระผู้มีพระภาคทรงประธานโอวาชนีแล้วใครเล่าจะเข้าไปบิณฑบาตในบ้านได้ดังนี้แล้วกลับจากที่นั่นนั่งคูบาลังตั้งกายตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้าณักโขนไม้แห่งหนึ่งพระสารีบุตรได้มาเห็นพระราหุล น, นั่งอยู่นักโขนไม้จึงบอกแนวทางว่าดูก่อนราหุลท่านจงเจริญอานาปานสติเถิด อาณาปานสติภาวนาที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากเวลาเย็นพระราหุลออกจากที่เร้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามว่าพระองค์ผู้เจริญอาณาปานสติอันบุคคลเจริญให้มากแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงจะมีผลมากมีอนิสง์มากดูก่อนราหุล ธาตุสีคือดินน้ำไฟลมเธอเพิ่งเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อบุคคลเห็นธาตุสีด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ย่อมเบื่อนายจิตก็ย่อมคลายกำหนัดธาตุดินมีลักษณะแข่นแข็งอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดไวมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นธาตุน้ำ ม, มีลักษณะเอือบอาบ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 ดูก่อนราหุนเธอจงเจริญภาวนาอบรมจิตให้สม่ำเสมอด้วยแผ่นดินให้เป็นเช่นแผ่นดินให้เสมอด้ดยน้ำให้เป็นเช่นน้ำให้เสมอด้ดยไฟลมและอากาศเถิดเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อกระทบอะไรเข้าความยินดีหรือความยินร้ายไม่อาจครอบงำจิตใจได้ดูก่อนราหุนดินน้ำ ย่อมรับของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างที่คนทั้งหลายทิ้งลงไปแต่ว่าแผ่นดินจะอึดอัดระอาหรือเกลียดชังสิ่งเหล่านั้นก็หาไม่น้ำก็เป็นเช่นเดียวกันไฟก็ย่อมเผาของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างลมก็ย่อมพัดของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างแต่ความเกลียดหรือความชอบหามีกับไฟและลมไม่เธอจงเจริญภาวนาอบรมจิตให้เป็นเช่น อากาศที่แผ่ปกคลุมอยู่ทั่วไปไม่เลือกว่าเป็นที่สะอาดหรือไม่สะอาดความอึดอัดประอา ห, หรือความชอบหาปรากฏแก่อากาศไม่เมื่อเจริญภาวนาอยู่อย่างนี้ความยินดียินร้ายผู้พรรษะที่พอใจหรือไม่พอใจก็ไม่อาจครอบงําจิตของเธอได้ดูก่อนราหุลเธอจงเจริญเมตตาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเจริญเมตตาภาวนาอยู่จะละพยาบาทได้ เธอจงเจริญกรุณาภาวนาเพื่อละวิหิงสาความคิดเบียดเบียนจงเจริญมุทิตาภาวนาเพื่อละอารติความไม่ยินดีด้วยจงเจริญอุเบกขาภาวนาเพื่อละปฏิฆะความหงุดหงิดความกระทบกระทั่งภายในจงเจริญอสุภะภาวนาเพื่อละราคะจงเจริญอนิจจสัญญาภาวนาเพื่อละอัศมิมานะความถือตัวถือตน ความทนงตนดูก่อนราหุนเธอจงเจริญอาณาปานสติภาวนาเถิดเพราะอาณาปานสติที่บุคคลเจริญให้มากแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงมากอาณาปานสติที่บุคคลเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงมากดูก่อนราหุนภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ป่า ก, ก็ดี อยู่โคลนไม้ก็ดีหรืออยู่ในที่ซึ่งไม่มีบ้านมีเรือนตั้งอยู่ก็ดีนั่งคูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะรู้ชัดว่าหายใจเข้าออกยาวสั้นดูก่อนวาหุนอาณาปนานสติที่บุคคลเจริญแล้วให้มากอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีอนิสงมาก เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้วราหุลมีใจชื่นชมต่อพระพุทธภาสิทธิ์เป็นอันมาก ดูก่อนพระราดาพระราหุนเทระนั้นมีความเกี่ยวข้องกับพระัฐบาลอย่างใกล้ชิดเคยบำเพ็ญบา ร, รมีร่วมกันมาดังเรื่องที่จะนำมาเล่าต่อไปนี้ในอดีตการสมัยแห่งพระบรมศาสดาจารย์พระนามว่าปทุมุตตระท่านพระราหุนและพระรัฐบาลเกิดในตระกูลข้าวดีมหาศาลมีสมบัติมากในนครหงสาวดีว่าอยู่ในวัยหนุ่ม มีจิตน้อมไปในการที่จะทําความดีมีการให้ทานเป็นต้นจึงให้เจ้าหน้าที่ผู้รักษาทรัพย์สมบัติของตนแถลงบัญชีทรัพย์สินว่ามีอะไรอยู่เท่าใดเมื่อทราบตามบัญชีแล้วได้สํารวจตรวจดูทรัพย์สินด้วยตัวจริงเห็นว่ามีมากมายเหลือเกินจึงดําริได้ความดําริอันชอบว่าชนทั้งหลายมีปู่ย่าตายายและมารดาบิดาของเราเป็นต้น ได้สะสมทรัพย์สมบัติเหล่านี้ไว้แต่ท่านเหล่านั้นก็หาได้นําทรัพย์สมบัติแม้แต่น้อยหนึ่งไปสู่ปราโลกไม่ท่านล้วนไปตัวเปล่าทั้งสิน้นเวลานี้ทรัพย์สมบัติเหล่านี้ตกมาถึงเราอีกหน่อยเราก็าตายทิ้งทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเหล่านี้ไว้ให้คนอื่นอีกต่อไปทําอย่างไรหนอเราจึงจะนําทรัพย์ที่ติดตามตนไปไม่ได้ให้เป็นทรัพย์ที่ติดตามไปได้ บรรดิตทั้งสองนั้นพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าการให้ทานเป็นการให้ความสุขแก่ผู้อื่นผู้ให้ความสุขแก่ผู้อื่นย่อมได้รับความสุขเป็นเครื่องตอบแทนจึงตั้งโรงทานบริจาคทานในบัณฑิตทั้งสองนั้นผู้หนึ่งจะถามยาจบวันิพกผู้มาขอว่าต้องการสิ่งใดเม่ยาจบวันิพกบอกวัตถุที่ตนต้องการแล้วจึงให้ บัณฑิตผู้นี้มีนามว่าอาคตะปาวกะส่วนบัณฑิตอีกท่านหนึ่งไม่ได้ถวายอย่างนั้นแต่ยาจกมณิพกถือภาชนะใดๆมาก็จะให้ของจนเต็มภาชนะนั้นบัณฑิตผู้นี้มีนามว่าอัคระปาวกะเช้าวันหนึ่งสองสหายนั้นชวนกันไปอาบน้ำนอกบ้านขณะนั้นมีดาบทผู้มีฤทธิ์มากสองท่านเขามาจากหิมะวันตประเทศเพื่อพิขาจา์ เหาะมาลงณบริเวณใกล้ที่สหายทั้งสองเยืนอยู่ท่านทั้งสองเตรียมดาบทบริขารมีเปลือกน้ำเต้าเป็นตน้นเพื่อเข้าไปในรั้วแอกบ้านสหายทั้งสองเห็นท่านแล้วเข้าไปนมัตการรับภาชนะเปลือกน้ำเต้าจากดาบทแล้วนำท่านทั้งสองไปสู่เรือนของตนของตนถวายขาธนิยะโภชญียาหารอันปานีตแล้วขอร้องให้ดาบททั้งสองรับปฏิญญาว่า จะมารับภิกษาหารเป็นประจำนเรือนของตนในดาบททั้งสองนั้นดาบทตนหนึ่งมีปกติไปพักรางวันที่นาคริภพโดยการแหวกน้ำในมหาสมุทรลงไปด้วยอนุภาพของตนเมื่อจะทำการอนุโมทนาแก่อุปถาของตนก็มักจะกล่าวอนุโมทนาว่าขอให้พบอันเป็นที่อยู่แห่งท่านจงเป็นดังพพแห่งพญาปทวินทรนาคราธเถิด ดังนี้ถูกครั้งไปวันหนึ่งข้าบดีจึงเรียนถามดาบทว่าเพราะเหตุไรเมื่ออนุโมทนาท่านจึงกล่าวเสมอว่าขอให้พิภพที่อยู่ข้าพเจ้าเป็นดังพิภพของพระยาปทวินทรนาคราชดาบทตอบว่าอัตมาภาพหมายความว่าขอให้สมบัติของท่านจงเป็นเช่นสมบัติของพระยาปทวินทรนาคราชจำเดิมแต่นั้นมา ข้าบาดีผู้นั้นก็มีจิตผูกพันอยู่กับพิภพแห่งหนาคปรารถนาใคร่ได้บังเกิดในพิภพแห่งนาคนัน้นฝ่ายดาบทอีกท่านหนึ่งมีปกติไปพักกลางวันณดาวอเดมพิภพสำราญอิริยาบทอยู่นะเสรีสกาวิมานอันว่างเปล่าจากเทพปบุตรและเทพปฏิดาดาบทนั้นได้เห็นทิพยาสมบัติของเท้าสกะจอมเทพแห่งดาวอเดมแล้วเมื่อจะทําการอนุโมทนาแก่อุปถาของตนจึงกล่าวว่า ขอพบที่อยู่ของท่านจงเป็นประหนึ่งวิมานแห่งเท้าสักกลินเทวราชเถิดดังนี้เนืองเนืองขะหะบดีจึงถามดาบทว่าท่านกล่าวฉะนั้นหมายความว่ากะไรดาบทจึงเล่าให้ฟังว่านะดาวดึงพิภพนั้นมีทิพยาสมบัติอันน่ารื่นรมขะหะบดีจึงมีจิตผูกพันอยู่กับพิภพดาวดึงนั้นทําบุญทํากุศลตลอดชีวิต เมื่อายทั้งสองเส้นชีพก็ไปบังเกิดในพิภพอันตนตั้งจิตไว้คืออาขะตะปากะไปเกิดในหน้าขะพิภพเป็นพระยาปทวินธรนาขราชส่วนอัคราปาวกะไปเกิดในภพดาวดึงเป็นเท้าส ก, กัดจอมเทพนาขราชมองดูอัตภาพของตนแล้วให้เกิดความร้อนใจเป็นหนักหนาว่าดาบทผู้ที่เราเชื่อถือได้พัฒนาคุณสมบัติ ในหน้าเขาพิพบไปมากมายแต่อัตภาพอย่างนี้มิได้เป็นที่เจริญใจของเราเลยเป็นอัตภาพของสัตว์ผู้กระเสือกกระสนไปในอกยิ่งคิดอย่างนี้ก็ยิ่งน้อยเนื้อต่ําใจยิ่งนักขณะนั้นนางหน้ากัญญาทั้งหลายมีกายอันประดับด้วยสัพพทิพาราังการวิภูสิตาภรณต่างๆถือเครื่องทิพยดนตรีมาดีสีตีเป่าขับกล่ำำอมบําเบลปทวินทรนาคราชนั้น พระยานาคราชภูมิริศจึงละอัจภาพแห่งหนากแล้วดิระมิตกายกลายเป็นมนุษย์หนุ่มน้อยในขณะนั้นธรรมเนียมมีอยู่ว่าทุกๆกึก่งเดือนเท้ามหาราชทั้งสี่จะพากันเฝ้าเท้าส ก, กเทวราชนาดาวดึงพิภพ พ, พระยาปทวินตระนาคราชหนึ่งในเท้ามหาราชทั้งสี่จึงต้องขึ้นเฝ้าด้วยและไปกับพระยานาคราชคือท้าวิรุปัก์ ผู้เป็นใหญ่ในหมู่นาคทั้งหลายเท้าสักกะทอดพระเนตรเห็นพระยาปัทวินทรนาคราชแต่ไกลก็จำได้ถนัดเพราะว่าคุ้นเคยกันมาแต่นานไม่ได้ทักทายปลาศัยและถามถึงที่ที่ไปถือกำเนิดในพบใหม่และพระยาปัทวินทรนาคราชเล่าถวายด้วยอาการน้อยประทัยยิ่งนักแล้วเท้าสักกะจึงตรัสว่าท่านจะได้วิตกในเรื่องที่ไปถือกำเนิดเป็นนาคราชนักเลย เพราะว่าบัดนี้สมเด็จพระมหามุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วท่านจงหมันบำเพ็ญบุญกุศลแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วปรารถนาการเกิดในที่นี้เถิดเราทั้งสองจะได้มีความสุขอยู่ด้วยกันพระยาปทวินทรานากราชทูลรับคําของเท้าสกรินเทวราชแล้วกลับมายังชมพูพิภพ ได้ทูลอารัธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์เพื่อเสวยนาพิภพของตนในวันรุ่งขึ้นพระประทุมุตรทศพลรับสั่งกับพระสุมาะเถระผู้เป็นพุทธอุปถาของพระองค์ว่าวันนี้จะไปบินถบาทณที่ไกลภิกษุผู้เป็นปุตุชนอย่าได้ตามเสด็จให้ตามไปได้เฉพาะพระละหัน์ที่ได้ปฏิสัมพิธาและอภิญญาสมาบัติเท่านั้น เ่ได้เวลาอันสมควรสมเด็จพระประทุมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอาหารหันตพุทธบริวารก็เหาะขึ้นสู่เวห า, าพระยาปทวินทรานาคราชและนาคบริษัทธก็พากันมาต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงท่ามกลางมหาสมุทรแล้วเสด็จพระดําเนินไปบนกระแสสินพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์พุทธบริวารพระยาปทวินทรานาคราชทอดทัศนาการ ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปถึงอุปรเรวตะสามเณรผู้เป็นพุทธชิโนรสแล้วเกิดรปรีดาปลาโมดยงนักนาริว่าอันพระพิสุส่์สมบูรณ์ด้วยฤทธิเห็นปานี้ยังไม่อัศจรรย์เท่ากับสามเณรอุปรเรวตะซึ่งเป็นทารกน้อยเมื่อพระพิสุส่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนั่งบนอาสนะของตนของตนในพิภพหน้าเรียบร้อยแล้วสามเณรอุปรเรวตต ได้นั่งนะัเบื้องพระพักแห่งพระบรมศาสดาฝ่ายพระยาปทวินทุระนาคราชเมื่อถวายอาหารก็เหลียวดูพระพุทธองค์ทั้งหนึ่งและสามเณรอีกครั้งหนึ่งเสมอไปทั้งนี้เพราะลักษณะแห่งสามเณรละไม้คล้ายคลึงกับลักษณะของพระบรมศาสดาดูรุ่งเรืองสดใสพระยานาคราชจึงถามพิสุรูปหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ว่าสามเณรรูปนี้ เป็นอะไรกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเพษูรูปนั้นถวายพระพรว่าเป็นโอรสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระยาณาราชจึงดำริว่าสมณะนี้โชคดีเป็นล้นพ้นที่ได้เป็นโอรสของพระพุทธเจ้าทำฉนัยหนอในอนาคตเราพึงได้เป็นโอรสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งดำริชนีดแล้ว จึงถวายมหาทานแด่พระศ า, าสดาและภิกษุ ส, ษสงฆ์ตลอดเจวันแล้วตั้งปณิธานเฉพาะพระพักของพระบรมศาสดาจารย์ว่าด้วยอนุภาพแห่งกุศลธรรมที่ข้าพระองค์กระทําแล้วนี้ขอจงอํานวยผลให้ข้าพระองค์ได้บังเกิดเป็นพระพุทธชิโนรสแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตเช่นเดียวกับอุปรเรวัตสัมณานนี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าเธอจะได้เป็นพุทธโอรสแห่งพระสมณโคดมบรมศาสดาในอนาค ต, ตการ ฝ่ายพระยาปทวินทระนาคราชเมื่อถวายอาหารก็เหลียวดูพระพุทธองค์ครั้งหนึ่งและสามเณรอีกครั้งหนึ่งเสมอไปทั้งนี้เพราะลักษณะแห่งสามเณรละไม้คล้ายคลึงกับลักษณะของพระบรมศาสดา ด, าดูรุ่งเรืองสดใสพระยานาคราชจึงถามพิสุรูปหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ว่าสามเณรรูปนี้เป็นอะไรกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือ ภิกษุรูปนั้นถวายพระพรว่าเป็นโอรสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระยา้าคราชจึงดํารีว่าสมณะนี้โชคดีเป็นล้นพ้นที่ได้เป็นโอรสของพระพุทธเจ้าทำฉะนายหนอในอนาคตเราพึงได้เป็นโอรสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งดํารีชนิดแล้วจึงถวายมหาทานแด่พระศาสดาและภิกษุสงฆ์ ตลอดเจดวันแล้วตั้งปณิธานเฉพาะพระพักของพระบรมศาสดาจารว่าด้วยอนุภาพแห่งกุศลธรรมที่ข้าพระองค์กระทาแล้วนี้ขอจงอำนวยผลให้ข้าพระองค์ได้บังเกิดเป็นพระพุทธชิโนโหรดแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตเช่นเดียวกับอุปเรวัตสัมเนนีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรว่า เธอจะได้เป็นพุทธะโอรสแห่งพระสมณะโคโดมบรมศาสดาในอนาคตการพอถึงกึ่งเดือนพระยาปทวินทรนากราชก็ขึ้นไปเฝ้าเท้าส ก, กะเท้าส ก, กะตดตรัสถามว่าสหายได้ตั้งความปรารถนาไว้เพื่อมาเกิดในเทวโลกนี้แล้วหรือพระยานากราชทูลว่าไม่ปรารถนาแล้วเท้าส ก, กัถามว่า สหายเห็นโทษอะไรในเทวโลกหรือจึงไม่ปรารถนาพระยาปัทวินทรนาคราชได้เล่าเรื่องความปรารถนาของตนให้เท้าสักกะทรงทราบและเพิ่มเติมว่าขอพระองค์ทรงตั้ ง, งความปรารถนาอะไรสักอย่างหนึ่งเถิดเพื่อเราทั้งสองจักไม่ภากจากกันจักไม่มีความสุขความสําเร็จร่วมกันเท้าสักกะทรงเห็นชอบด้วยกับคําชักชวนของพระยาปัทวินทรนาคราช ทรงเห็นพิสุรูปหนึ่งผู้มีฤทธิ์มากและออกบวช ด, ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าในศาสนาของปะทุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงถวายมหาทานแก่พระพุทธเจ้าและพิสูุสงสงตลอดเจ็ดวันแล้วตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศทางออกบวช ด, ด้วยศรัทธาพระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า ความปรารถนาของเท้าสกัดเทวราชจักสาเร็จในศาสนาของพระสมณาโคโดมบรมศาสดาท่านทั้งสองเมื่อสิ้นชีพแล้วได้ท่องเที่ยวอยู่ในหมู่เทวดาและมนุษย์เป็นเวลานา น, านเป็นกับๆต่อมาในพุทธบาตรกานี้คือในศาสนาแห่งพระมหาสมณาโคโดมพระยาปทวินทรนากราชมาเกิดเป็นพระราหุลพุทธชิโนรสส่วนเท้าสกเรนเทวราช มาเกิดเป็นพระรัฐบาลท่านทั้งสองได้บำเพ็ญบารมีร่วมกันมาเป็นเวลาที่ยาวนานแสนานานดังพรรณนามาด้วยประการาชนี